เรื่องไม่ทำตามท่านหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไปที่แลงแกงบอกนายเพชฌคาดว่าท่านอย่าทรมานนักโทษคนนี้เลยจงประหารชีวิตด้วยการฟันครั้งเดียวเพชฌคาดกล่าวว่าข้าพระเจ้าจะไม่ทำตามคำของท่านและประหารชีวิตนักโทษนั้นภิกษุนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือนอ นำเรื่องนี้ไปกลาบทูลระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พร่องตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัตรปาราชิกแต่ต้องอาบัติทุกกฎวงเล็บเรื่องที่หนึง่งหนึ่ง